วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาแสดงความรักชาติความเสียสละในท้ำกลางแห่งวัดน้องบัวใสงามของเรามาจากที่ต่างๆหลวงตาเองก็ได้อุตส่าห์พยายามมาตั้งแต่วันที่วันที่สามสิบจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นสี่วันแล้ว การเทศนาว่าการ <c oughs> ไม่ได้หยุดได้ย่อนเริ่มต้นตั้งแต่ออกจากวัดป่าบรนตาดมาตรงกระทั่งบัดนี้เทศก็เพื่อสอนพี่น้องชาวไทยเราให้มีกฎมีเจนมีแบบมีฉบับคือหลักธรรมเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีงามมากสำหรับชาวพูทธของเร า, าศาสนาธรรมของพระพุทธ เ, ทเจ้า เองธรรมที่เลิ่อเลือสุดยอดมาตั้งแต่องค์ศาสดาที่ตรัสรู้แล้วแล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลก <c oughs> พระองค์เองก็ยืนยันรับรองธรรมที่บริสุทธิ์ออกจากพระไทยจนเป็นศาสตรา ข, ขึ้นมาจากนั้นก็ประกาศธรรมสอนโลกจนปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิากาเป็นลูกชาวพุทธขึ้นมาจำนวนมากมาย ล้วนแล้วแต่ออกจากอัดจากธรรมที่ถูกต้องดีงามนี่แหละเมื่อผู้ฟังได้รับอัดรับธรรมนี้ไปแล้วก็อุตส่าห์พยายามดัดแปลงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีคนดีเป็นพระดีพระดีพระมีวินัยพระมีธรรมประจำใจเท่ากับมีพระพุทธทเจ้า ประทับอยู่ที่กายวาจาใจของเราตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในจุดบรลลาสุดท้ายว่าดูก่อนอานนท์พระธรรมและพระวินยัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของท่านทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้น เราจึงควรยึดถือหลักธรรมหลักวินัยจะพาะอย่างยิ่งคือพระเราให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยไว้ประจำกายวาจาใจของตนไม่ให้ดามคล้อยทะลุนับแต่ศีลขึ้นไปท่านทั้งหลายอย่าไปหาศีลในสถานที่ใดหาสมาธิในสถานที่ใด หาปัญญาหาวิมุตต์ดูดพ้นตามสถานที่ใดให้หาที่ปริยัติที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วเช่นพระไกรปีฎกนั่นคือแบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องดีงามเพื่อมักผลนิพาน ล, ล้วนๆแล้วนำมากลางกับหัวใจของเรานำปริยัติที่เป็นแบบแปลนแผนผังนั้น มากลางที่หัวใจของเราขึ้นเป็นภาคปฏิบัติรักษาศีลให้ดีอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุนี่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเราเป็นผู้มีศีลมาตั้งแต่วันอุปสมบทสมบูรณ์แบบในวันนั้นถ่าพระท่านกล่าวว่าศีลส2 7ี ก็มีศีลสมบูรณ์มาตั้งแต่บัดนั้นแล้วรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ด่างพร้อยทะลุหรือขาดไปเสียก็เรียกว่าเรามีศีลสมบูรณ์มีหาศีลให้หาที่การรักษาศีลให้สมบูรณ์นี่แหละเราจะมีศีลอยู่ที่นี่คำภี์บาลานั้นเป็นแบบแปนของอัดของธรรมเป็นแบบแปลนของมรรคผลนิพพาน ส่วนมรรคผลนิพพานโดยแท้จริงแล้วจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติที่นำแบบแปลนแผนผังมีพระไกรปิฎกเป็นต้นมากลางแล้วปฏิบัติตนตามนั้นตามนั้นศีลก็ทำให้บริสุทธิ์แล้วศีลจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราสมาธิ <c oughs> คือการอโบโรมจิต ให้มีความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยทั้งหลายคือจิเลสนั้นละ่ะที่เป็นภัยมากในบรรดาสัตว์ทั่วโลกดินแดนตัวนี้เป็นตัวภัยเราละงับจิตใจของเราด้วยอารมณ์แห่งธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟเราจะนำคำหรือธรรมบทใดก็ได้มาปฏิบัติ บำรุงจิตใจด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทาบทใดที่เหมาะกับจดิตนิสัยของเราที่ชอบให้นำทาบทนั้นมาเป็นคำบริกรรมคำบุิกรรมของเราให้ติดแนบอยู่กับใจสตาิติดแนบอยู่กับคำบริกรรม นี่เรียกว่าเราก่อสร้างจิตใจของเราให้เกิดความสงบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆคือปลูกสร้างที่ตรงนี้ภาวนาบริกรรมอยู่ที่ตรงนี้แล้วให้มีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาอย่าให้เผลอสติเป็นสิ่งจาเป็นมากในธรรมทุกขั้น ตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปถึงวิมุดพานีพานจะนอกเหนือไปจากสตินี้ไม่ได้เลยเมื่อมีสติกำกับกับคำบริกรรมขึ้นมาภายในใจใจท่วาวุ่นขุ่นมัวกับอารมณ์ของเจเรที่ฉุดรากไปนั้นธรรมะที่บริกรรมนี้จะเป็นเท่ากับน้ำดับไฟ ไฟคือกิเลส ท, ที่มันสร้างขึ้นเผาหัวใจเรานั้นจะค่อยสงบลงด้วยคำบริกรรมภาวนาโดยความมีสตินี่คือสร้างจิตให้มีความสงบล่มเย็นในเบื้องต้นเป็นลักษณะที่ว่าน้ำดับไฟคือทำดับความพุ่งสร้างวุ่นวาย ความสงบเราจะเห็นที่ใจของเราจากภาคปฏิบัติตัวเองโดยทางจิตตะภาวนานีเราหามาขาผลอย่าไปหาที่ไหนให้ไปอ่านคำภีแล้วนำคำภีมากลางลงที่หัวใจของเราคลี่คลายดูคำภีท่านสอนว่าอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นคำภีสอนให้รักษาศีลทุกข้อ อยากให้ด่างพร้อยเราก็รักษาทุกข้อไม่ให้ด่างพร้อยก็เรียกว่าเรามีศีลอนสมบูรณ์ศีลนี่เป็นสมบัติของเราที่รักษาได้แล้วปรากฏขึ้นแล้วจากกุบชาที่รับมาจากท่านแล้วก็มาปฏิบัติจนเป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นกับตัวของเราทีนี้ทำใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยบทภาวนา จะเป็นบทใดก็ได้ตามที่กล่าวแล้วโดยความมีสติกำกับอยู่กับคําบริกรรมเช่นพุโทโธพุธโทโธสติให้ติดแนบอยู่กับคําว่าพุโทโธอย่าเสียดายอารมณ์อื่นใดทั้งนั้นในเวลาภาวนาให้สติกับคําบริกรรมติดแนบกันอยู่ที่จิตใจของเรา ใจเมื่อได้รับการรักษาด้วยคำบุิกรรมและสติควบคุมอยู่แล้วกิเลสจะผลักดันออกมาให้ชิดให้ปรุงแต่งเรื่องราวของกิเลสเช่นความโลภความโกรธราคะตัณหาจะเกิดไม่ได้ในเวลาเช่นนั้นเพราะคำบุิกรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟดับลงเรื่อยๆไฟก็แสดงเปลวขึ้นมาไม่ได้จิตใจก็มีความสงบล่มเย็นขึ้นมา ร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเรานี้คือภาคปฏิบัติความร่มเย็นที่ใจของเราเป็นสมบัติของเราความสงบเป็นสมบัติของเราความจำมาเป็นสมบัติมาจากปริยัตจจำได้แล้วก็หลงลืมไปไม่อาจที่จะฆ่ากิเลสตัวใดได้ไม่เหมือนภาคปฏิบัติฆ่ากิเลสได้โดยลำดับนาบแต่ความฟุ้งซ่านของกิเลส ที่ฉุดลากเราไปตลอดเวลาเมื่อนำธรรมเข้ามาระงับดับกันแล้วจิต ท, ท้องเราจะสงบเย็นขึ้นมาจากสงบเย็นหลายครั้งหลายผนใจของเรานี้จะเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นมามีความสงบก็เป็นสมบัติของเราจากการปฏิบัตินี้แล้วความ แน่นหนามันคงของใจที่ริยากว่าสมาธิก็เป็นเกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาแล้วนี่เป็นของเราโดยแท้ความจํามานั้นเป็นแบบแปนแผ่นผังการปฏิบัติตัวของเราตามแบบแปนแผ่นผังจนเกิดผลขึ้นมานี่และเป็นสมบัติของเราโดยแท้จากนั้นปิดพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นแบบแปนแผ่นผังอันหนึ่ง เราแยกจิตออกไปในหลังจากความสงบของจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้วออกทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูธาตุดูธาตุเขาธาตุเราธาตุหญิงธาตุชายธาตุดินธาตุ้ําธาตุลมธาตุไฟซึ่งธาตุเหล่านี้มีอยู่กับตัวบุคคลหญิงชายสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นแต่เมื่อไม่พิจารณาแยกแล้ว มันก็แบกธาตุแบกขันมาเป็นเราเป็นของเขาของเราแบกภูเขาทั้งลูกกลายเป็นภูเขาภูเราขึ้นมาเมื่อสติปัญญาพิจนาแยกแยะตามแบบแปลนแผ่นผังที่ท่านแสดงไว้ว่าปัญญาปัญญาจะสอดแทรกพิจนาเห็นตามเรื่องที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือธาตุสีดินน้ำโดมไฟมีอยู่ในกายของเรา พิจารณาโดยทางปัญญาความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นแล้วความระงับดั่งิเลสเป็นขั้นเป็นตอนก็จะระงับไปโดยลําดับลําดานี่ก็เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติ <c oughs> ให้ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่จะตักตวงเอามากเอาผลขึ้นที่ใจของเราโดยทั่วกัน จึงขอให้พระลูกพระหลานนำไปประพฤติปฏิบัติศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองกับหัวใจของเราเมื่อใจพระมีความสงบล่มเย็นรุ่งเรืองสว่างสวัยภายในตนแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดบ้านใดเมืองใดย่อมมีความสงบล่มเย็นแจ่มบรรดาพินประชาชนทั้งหลายทั่วทั่วไปขึ้นอยู่กับ ตัวของเราเป็นผู้นําเพราะพระเป็นผู้นําของประชาชนทั้งหลายถ้าพระเหลวแหลกแหวกแนวไปแล้วประชาชนก็ไม่ทราบจะยึดจะเกาะอะไรเลยหาที่ยึดหาที่เกาะไม่ได้มาหาพระก็โลเลไปทั่งพระลวาดก็โลเลสุดแล้วก็สุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวได้แต่ของเร็วๆมาชายหาประโยชน์ไม่ได้เลยนอกจากนั้นยังเอาไฟมาเผา ถ้าเผาศาสธนาตนเข้าไปอีกเพราะเรื่องของชิเลเหมือนกับไฟได้เชื้อไม่เลือกไม่ได้หมดไม่ได้หมดไม่มีเหลือยังขอให้ปฏิบัติตนให้จิตมีความสว่างสวัยด้วยทางปัญญาวันนี้มีแยกแยะออกไปทางภาคปฏิบัติสําหรับพระลูกพระหลานทั้งหลายมีจํานวนมากจะได้นําไปใช้ไปปฏิบัติแล้วเราจะได้เห็นมากเห็นผล เห็นนิพานเห็นความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราอันเกิดจากการอบรมฝึกปฏิบัติมาเรียบร้อยโดยลําดับลาดาแล้วเราจะเห็นมรรคเห็นผลที่ใจของเราจากภาคปฏิบัติของเราและผลคําว่าผลผลนั้นเกิดขึ้นในเราแล้วจะเป็นสมบัติของเรามีท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติ ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนรู้จักวิธีการแก้ไขถอดถอนกิเลสรักษาตัวด้วยวิธีการต่างๆแห่งธรรมแล้วใจของเราก็จะคอยแค่วคลาดปลอดภัยไปทีนี้อบรมทางจิตใจให้แน่นหนามั่นคงขึ้นใจดวงนี้เมื่อได้รับการอบรมรักษาหรือบำรุงรักษาอยู่ตลอดแล้ว จะแสดงความสว่างสวายความสงบร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาวันนี้จะพูดเพียงย่อๆในหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังจากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันพิจารณา ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนท่านแสดงไว้ในเวลาระบวชที่แรกว่าเจสาโรมานขาทันตาตะโจกนี่คือหินรับปัญญาของเราให้โครงกล้าเป็นำดับในเบื้องต้นเป็นทำเครื่องกล่อมใจให้สงบอยู่กับอาการทั้งห้านี้คือผมขนแลบฟันหนังนี้ ให้จิตมีความสงบอยู่กับคาบุิกรรมอันนี้แล้วก็คลี่คลายออกไปให้เป็นจัดเป็นส่วนเป็นธาตุเป็นขันแยกออกเป็นลำดับลำดา่นีน่เรียกว่าทางด้านปัญญาที่คลายออกไปทลี่คลายออไปจิตจะสว่างสวายไปเรื่อยปัญญาเกิดยิเหเล็ดค่อยระงับตัวลงไปหรือดับลงไปเป็นลำดับ ปัญญาเกิดมากเกิดน้อยเพียงไรกิเลสจะค่อยระ ง, งับดับลงไปโดยลาดับเป็นผลแห่งการปฏิบัติของเราการที่เราละีิเลสได้ด้วยการภาคปฏิบัติมีปัญญาเป็นสำคัญสมบัติที่ความเบาอกเบาใจสว่างสวายนี้ก็เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมจิตใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลาดับ ด้วยจิตตภาวนาแล้วเราจะได้เห็นความสว่างสวัยภายในใจของเราซึ่งไม่เหมือนกับความสว่างสวัยของดินฟ้าอากาศอันนั่นเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศส่วนความสว่างสวัยของจิตใจที่รับการอบรมบุอยู่โดยสม่ำเสมอนี้จะมีความสว่างสวัยมากขึ้นเป็นลาดับลาดา กิเลสตัวใดเราจะเห็นกันรู้กันบนเวทีคือปัญญานั่นแหละฟาดกับกิเลสจุบนหัวใจเราด้วยสติปัญญาพินิพินาแยกธาตุแยกขันให้เห็นชัดเจนจิตใจก็ถอยตัวเข้ามาความยึดมัน่นถือมั่นในอุปาทานแห่งขันนั้นๆก็เบาลงมาเบาลงมามีเรียกว่าปล่อยวางกิเลสให้เบาลงมาโดยลาดับละกิเลสไปได้โดยลาดับลาดา ความเบาใจของเราก็เริ่มเบาขึ้นไปเบาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เอาจกนกระทั่งถึงธาตุขันแหลกละเอียดเหมือนเขาคราดไล่คราดนาคราดจนมูลคราดมูลไถ่แหละละเอียดควรแกการปักดำแล้วก็ปักดำลงไปนี่เราคราดเราไถธาตุขันคือธาตุสีดินน้ำลมไถลิ้วลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยปัญญาของเรา ก็ให้คลานให้ไถหลายตลกทบทวนพินิจพิจารณาเอาสถานที่นี้เป็นสนามรบพิจารณาจนสติปัญญามีความคล่องแคล่วแคล้วก้าแล้วทีเลส จ, จะค่อยจางไปจางไปความสว่างสวัยรู้สึกตัวจะเด่นขึ้นเป็นลาดับลาดาในด้วยปัญญาของเรา <c oughs> จากนั้นพิจารณาละเอียดลงไปละเอียดลงไปใจของเราจะค่อยถอนตัวเข้ามาเพราะรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าเป็นของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าหญิงว่าชายดังสมมติทั้งหลายเป็นมานั้นแต่เป็นหลักธรรมาชาติของจิตที่ยึดโดยไม่มีใครบอกมันก็ยืดได้เมื่อเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาตามหลักธรรมแล้วไม่มีใครบอกถอนมันก็ถอนตัวเของมันได้เข้ามาเป็นลําดับนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากผ้าปฏิบัติเป็นสมบัติของเราท่านเรียกว่า ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้แจ่เรารู้ผลฝางใจของเราตั้งแต่เริ่มความสงบมาโดยลําดับจนกระทั่งจิตใจมีความสว่างกระจางแจ้งจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงใจปฏิเวทก็คือความรู้แจง้งแทงทะลุไปโดยลําดับลําดานั่นแหละจนกระทั่งจิตมีความละเอียดโดยที่เราภาวนาไม่ หยุไม่ถอยแล้วจะสว่างขึ้นเด่นลําดับกิเลสจะละเอียดลงไปภัยก็จะละเอียดน้อยลงไปจากหัวใจของเรานี่ธรรมก็จะมีคุณค่าหนักขึ้นไปโดยลําดับมีความสว่างสวายมีความแปลกประหลาดมีความมหัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัติจากนั้นแล้วเมื่อสติปัญญามีกําลังแก้วกล้าสามารถแล้ว ภาตเลต ข, ขาดสะบั้นลงจากใจแทงทะลุปูโลงไปหมดถ้าเรียกว่าปฏิเวทธรรมโดยสมบูรณ์คือรู้แจ้งในตัวของจิตใจเราเองนี่ก็เรียกว่าเป็นสมบัติของเราปริญาตยื่นแบบแปลงแผนผังให้ปฏิบัตินำมากลางที่ธาตุขันของเราธาตุขันของใครก็ตามเอามาพิจารณาเบื้องต้นให้มีความสงบ ความสงบจิตใจอิ่มอารมณ์ไม่ดีดิ้นไปกับอารมณ์ต่างๆแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญาจะพาก้าวเดินแล้วละกิเลสไปโดยลำดับลาดับจนกระทั่งกิเลสสิ้นสุดไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาจีดขวางแล้วนั่นเรียกว่าใจของท่านผู้ที่สิ้นแล้วจากทุกโดยประการทั้งปวงสิ้นจากทุกสิ้นที่หัวใจ ไม่ได้สิ้นที่ไหนทุกมารวมหัวใจอยู่ที่สัตว์โลกนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันเกิดอยู่ที่ใจแล้วก็กว้านเอาความทุกข์เข้ามาให้จิตใจแบกหามจนทุกข์ทรมานทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งวันตายก็ไม่ละเรื่องความทุกข์มีเกิดอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นทานจึงชำระใจตัวที่ไปหากว้านเอาความทุกข์ตามอํานาจของกิเลสที่หลอกลวงไป ใ, ใจมีความระ ง, งับเข้ามาทุกทั้งหลายก็จะระ ง, งับความสุขก็จะค่อยปรากฏขึ้นเป็นลําดับลําดาจนกลายเป็นความสุขที่เลิศเลยนี่เรียกว่าจิตที่วิเศษวิโสขึ้นจากการปฏิบัติขอให้พระลูกปัลลานนําไปปฏิบัติมรรคผลนิพพานเราจะไปหาตามดินฟ้าอากาศหากิเลสตัณหาประเภทต่างๆก่อจะไปหา ในดินฟ้าอากาศให้ดูตัวของเราความเคลื่อนไหวทางผิดหรือถูกคือใจมนุษย์เรากายมนุษย์เราวาจามนุษย์เราเป็นผู้แสดงออกเพื่อความชั่วและความดีทั้งหลายให้ละมัดระวังตัวนี้แล้วความดีทั้งรวมระวังขวขวายู่เสมอแล้วจะปรากฏความดีกับความสุขแนกเข้ามาที่ใจสุดท้ายใจก็เป็นที่รวมแห่งความสุขทั้งหลาย ความทุกข์ที่กองอยู่กับหัวใจก็ค่อยจืดจางไปจืดจางไปความสุขจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของเราเป็นลำดับลำดับนี่แหละรวมแล้วความทุกข์กับความสุขมีอยู่ที่ใจดวงเดียวอย่าพากระแปหามักผลนี่ผ่านตำบานคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนมืดแจ้งแสงพระชิดอะไรดินฟ้าอากาศกิเลสก็ไม่อยู่มันอยู่ที่ใจของเรา ให้ระงับดับการแก้ไขความผิดถูกชั่วดีกันอยู่ที่กายวาจาใจของเหล่านี้แล้วความสุขความดีก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราจุดท้ายใจของเราเมื่อชำระสิ่งชั่วช้าเราโมกออกหมดแล้วเป็นจิตที่เลิศเลยไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้หลังพระพุทธเจ้าของเราที่จัดสรู้คื อ, ค, อคือสังหารจิเล ซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหลายให้ขาดประบันหลงจากพัไทยกลายเป็นศาสตราเอกขึ้นมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเราได้นำคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติก็ขอให้ปฏิบัติ ต, ตามแนวทางนี้เรื่องมรรคผลนิพพานเราจะตักตวงเอาจากภาคปฏิบัติของเราไม่ได้ไปหาตักตวงเอากับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนแหละไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรม จะหาตักตวงเอาที่หัวใจที่กายวาจาของตนจากความประพฤติของตนนี้แหละมัชำระอันนี้แล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่หัวใจซึ่งแบกกองทุกจากกิเลสทั้งหลายอยู่ที่หัวใจให้ชำระลงด้วยดีแล้วความสว่างสวัยก็จะปรากฏขึ้นมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราไม่เกิดขึ้นที่ไหน ยงวันนี้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเ <c oughs> ยังขอให้พระลูกพวาหลานสนใจกับภาคปฏิบัติคือคิดต่ภาวนาให้เป็นคู่เคียงกันไปกับปริญตัตมีแต่เรียนเฉยเฉยมานก็เหมือนโนกขุนทองเรียนเฉยเฉยไม่สนใจปฏิบัติมีแต่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาไม่ดูอัดดูทำไม่สนใจปฏิบัติเรียนมาเท่าไหร่จํามาเท่าไหร่ก็เป็นนอนแทกกระดาษไปหมด ไม่จะเป็นคุณเป็นเป็นศีลเป็นธรรมเป็นความดีงามอะไรเลยถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะมีความดีปรากฏขึ้นเกิดความอบอุ่นภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากปริยัติขอให้มีทั้งสองประเภทนี้เป็นพื้นฐานภาคปฏิเวทไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นภาคที่จะให้ผลตามสัดส่วนของผู้ปฏิบัติมากน้อย ที่สืบเนื่องมาจากปริยัติจำแนวทางแบบแปลนแผ่นผังได้แล้วนำมาปฏิบัติ <c oughs> ผลจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรามรรคผลนิพพานมีอยู่โดยสม่สำเสมอดังที่ทำท่านแสดงไว้ในธรรมคุณว่า <c oughs> อ, อ, อากาลิโกอากาลิโก สาขาโตพระกวตาธรรมโมนพาธรรมอันพระผู้มีวา่าภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดมีพลาดพอที่จะนำสัตว์ให้ค่าเคลื่อนไปลงนรกตวีตีที่ไหนเลยสอนไปด้วยความถูกต้องเพื่อมาผลนิพานทั้งนั้นสารทิติโกผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ต้องเห็นประจักษ์ตนทุกคนในอาการนิโกหาการหาเวลาไม่ได้ ไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาทำลายภาคปฏิบัติดีชอบของเราได้เลยเราจะตัดตวงเอามรักเอาผลจากภาคปฏิบัติของเราตลอดไปไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาตัดมาถอนได้เลยยิ่งขอให้ดูตัวของเราให้ดีทุกคนแล้วเราจะได้มีความแปลกประหลาดในใจของเราสมชื่อสมนามว่าเราถือาศาสนาพุทธ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้มองตามแนวทางปฏิบัติตามจาสยาที่สอนไว้เราจะเป็นลูกชาวพุทธที่ดีมีความสงบเย็นใจสมชื่อสมนามว่าเราได้ทำจากท่านมาปฏิบัติจนเป็นสมบัติของตนโดยลําดับลําดา <c oughs> นี่การสอนบรรดาลูกหลานทั้งหลายขอให้เป็นที่แน่ใจ ในเรื่องมรรคเรื่องผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วไม่มีเคลื่อนก้าดไปไหนเลยคงเช่นคงวานหนานแน่นต่อมรรคต่อผลสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อเอเพื่อทำจริงจริงจะไม่เป็นอื่นแต่ผู้ไม่สนใจจะปฏิบัตินั้นแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยมีแต่เกาะไปเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะสมแล้วสําหรับชาวพุทธเราเกิดมาในชาตินี้เป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเขาเกือนกลุจนจะล้นโลกร้นสงสารแหกได้เราจึงแวกมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วยังมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอเข้าไปอีกแล้วก็มีความาเคารพเลื่อมใสมีศรัทธาสร้างคุณงามความดีตามศาสนาของพระพุทธ เ, เจ้า เราก็เรียกว่าเราสมบังมาเป็นลําดับเกิดเป็นมนุษย์เราก็ได้เกิดมาแล้วถือพระพุทธศาสตร์สนาสร้างคุณงามความดีสําหรับเราเราก็ได้สร้างมาเป็นลําดับลําดาบ <c oughs> ดงวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็นำเครื่ตตุปจจัยทายทานมาเพื่อจะสละลงส่วนรวมคือขังหลวงของเราแล้วสมบัติ วัตถุทั้งหลายเข้าสู่ส่วนรวมส่วนบุญส่วนกุศลที่เรามาบริจากนั้นห ม, <า>มุมนเข้ามาสู่ใจของเราวัตถุก็หนุนข้างหลวงส่วนบุญส่วนกุศลก็ย้อนเข้ามาหนุนหัวใจเราผู้บริจากเราจรึงไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกเป็นกําไรทั้งด้านวัตถุและนามธรรมาคือเจต น, นาที่เป็นกุศลบริจากไป บุญกุศลย่อมเป็นของเราด้วยการทุกคนยิงขอให้พี่น้องทางหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสนใจในอดในธรรมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าเหินห่างจากอดจากธรรมไปมากทีเดียวในขณะเดียวกันเรื่องกิเลสตันหาพากันส่งเสริมทุกด้านทุกทางอะไรๆมีแต่เรื่องกิเลสตันหาจูงไปจูงไปทั้งนั้นความทุกข์มันก็ติดแนบกันไป อยู่ที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความดอดร้อนบนอื้อกันทั่วโลกดินแดนเพราะกิเลสเป็นเหตุให้สร้างทุกข์แก่สัตว์ผู้หลงตามมันมันก็มีทุกข์ไปเรื่อยๆทีนี้ย้อนกลับมาปฏิบัติตัวตามบาัดตามธรรมความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะค่อยเบาบางลงไปความสุขความเย็นใจก็จะมีแก่เราเ <c oughs> ช่นเรามาทําบุญให้ทานจิตใจเรามีความเยือกเย็นมีความผาสุก เย็นใจสอใจของเรายิ่งทำอะไรมากเท่าไหร่จิตใจ ย, ยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงมากขึ้นอยู่ในโลกนี้ก็มีความสงบเย็นใจเพราะมองดูที่ไหนเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งเป็นพึ่งตายไม่มีมีแต่บุญแต่กุศลเราก็สร้างไว้แล้วเต็มหัวใจของเราเราจึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวของเราตายลงไปแล้วบุญกุศลที่เราสร้างนี้แหละจะติด แนบอยู่กับใจของเราพาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่สมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งการทำบุญให้ทานยิงขอ่อยพากันสนใจกับอัตจัตธรรมให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่<ม>เวลานี้รู้สึกว่าจิตใจของเรานีห่างเหินจากอัตจาตธรรมมากแม้แต่พระเราก็เหมือนกัน ห่างเหินได้เช่นเดียวกับประชาชนเพราะพระก็มีชีเลตย่อมมีความผิดพลาด ท, ทาชั่วช้าหลับโมกได้เช่นเดียวกับคนทั่วทั่วไปนั่นแหละจึงเรืองเตือนทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะให้รู้เนื้อรู้ตัวให้เข้าใกล้คิดติดพันกับหินกับธรรมเราอยู่ในวดัดให้ราลึกถึงวดัดประจําเพศของเราเสมอที่หลับที่นอนหมอนมุง้งที่อยู่ที่กินที่อาศัยให้ระลึกถึงพระเสมอ อย่า ล, ลึกถึงตั้งแต่ความฟุ้งเฟอ้อเหอก็ลึกคันคานองไปอย่างนั้นเป็นเรื่องของชีเชิตเป็นเรื่องของคารวะไม่ใช่ทางของพระพระนี้อยู่กินสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ได้นอนง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายทุกอย่างไม่ผดุงพลังแต่ศีลธรรมไม่ลดละจิตใจมีความใฝ่ฝันอยู่กับศีลกับธรรมตลอดเวลานี่คือพระของสากย้บุตร อืมนอกจากนี้ไปจะเป็นพระอะไรเราก็ไม่ทราบได้มันจะเป็นขึ้นที่ตัวของเราผู้อาถรรพ์ทางชายไปทําความไม่ดีนั่นแหละเป็นการขัดต่อพระวา่าของพระเจ้าเลยกลายเป็นพระอรชิตาหาความได้บาปไม่ได้มีไปที่ไหนมาแรงมาแรงบันตอมหึ่งหึ ง, หงเพราะพระนี่เน่าเหม็นภายในใจิตใจศีลธรรมไม่มีมีแต่ขีเด็ตัณหาบาปกรรมทั้งหลายสร้างขึ้นมาทุกวี่ทุกวัน แล้วเหม็นทุ้งภายในตัวไปที่ไหนมาแรงวันจตอมหึ่งหึงไปแต่เรายังภูมิใจแมาแรงวันนั้นมันก็สนุกบินตามแหละไอเรายังภูมิใจในเพศของเราที่ผ้าเหลืองแต่ศีลธรรมไม่ปรากฏในใจนี้อย่าไปภูมิใจเย้เฉยนัดภูมิใจรวมแรงแรงไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้รู้เนื้อรู้ตัว การกินอยู่ปูวายทุกจงการเคลื่อนไหวของพระต้องต่างกับคารวาสเขาไมไ่เหมือนเขาอยู่ก็รู้จักสถานที่อยู่พอประมาณการกินก็กินพอประมาณไม่ฟุ่งเฟอเออ้อเหอคือคึกเหอะนองนี่เรียกว่าพระที่หลับที่นอนหมอนมุ้งพอนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายสบายลูกศิทธาโคตถ้าเป็นลูกสิทธ์เทวทัตนั่นมันไม่พอนะ อะไรจะฟุ้งเฟอรอเหม่มขึ้นไปโลกเขาเป็นไงก็อยากให้เป็นอย่างโลคเขาแข่งโลกเขาไปแข่งโรกไปกิเลสวิ่งตามกิเลสมันจะทันกันยังไงเพราะมันเป็นกิเลสด้วยกันถ้าเป็นธรรมขัดกันกับกิเลสแล้วมีทางชนะกันได้นะให้เราขัดกันบ้างอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกลายเป็นนิสัยแล้วกับภูมิใจพอบวชเข้ามาในวัดในวาแล้วก็ภูมิใจว่าตัวได้บวช แต่ความประพฤติปฏิบัติของตัวเป็นศีลเป็นธรรมสมการบวชหรือไม่ไม่คำหนึง่งแล้วเสียหายที่ตรงนี้พาลูกพาหลานให้จํากันให้ดีหลวงตาที่บวชมานานแล้วแก่แล้วถึงได้สอนลูกสอนหลานไดอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนมาเป็นแบบฉบับของตนที่ภาคภูมิใจมาโดยลําดับไม่เคยได้มีข้อติตำหนิติเตียนตนในสถานที่ใดกิริยาใดใ น, นในศีลในธรรม ท่านบัญญัติไว้อย่างไงปฏิบัติคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นด้วยความอบอุ่นในศีลอยู่ไหนสบายสบายจากนั้นกอบลมทางด้านสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่องสมาธิก็เป็นสมบัติของเราขึ้นเป็นลาดับจากการค้นควายของเราปัญญาก็สว่างขาจางแจ้งขึ้นมาฟาดสะนรวิเลศขาดสะบันไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วโลกนิ้ว่างสุญญโตโลกาเมเกคัตสูไปหมดเลย ไม่มีอะไรมาขัดมากขวางภายในจิตใจมีกิเลสเท่านั้นมีมากมีน้อยเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนเข็ม <c oughs> <c oughs> แล้วเหมือนทุลีมันมีมากมีน้อยแต่ต้องขวางขลที่จุดเหมือนผงเข้าตาตาก็ขัดกิเลสมีน้อยเข้าในหัวใจหัวใจก็ขดาดฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตโล่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือตามธรรมุเจ้าที่ปฏิบัติมา ภาคภูมิใจมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งบัดนี้มาสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี้ผู้จะไม่ว่าอาถรรพ์มันเลยอาถรรพ์ไปแล้วกลัวก็ไม่มีคําว่ากล้าก็ไม่มีแต่มีตลักความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจซึ่งปฏิบัติมาได้มากน้อยแล้วมาแจกจ่ายบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ถึงใจถึงใจตามที่ได้ปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายผลได้ปรากฏขึ้นเป็นที่พอใจมากกวิพที่พานอยู่ที่ไหนไม่ถาม อยู่ที่หัวใจเต็มอยู่แล้วถามหาอะไรนี่ละได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ด้วยความทั้งรวมระว่างรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่วันบวชมาปฏิบัติตนแบบพระตลอดมายึงมีความชุ่มเย็นภายในจิตใจจากนั้นอบรมสมาธิจิตใจให้ที่มันว่าแวดความแค้นไปตามกิเลสเอาตีเข้ามาตีเข้ามาจนจิตใจสงบจากความสงบแล้วก็ก้าวสัด้านปัญญาฆ่ากิเลส ทุกประเภทโดยลาดับลำดาโจนกระทั่งกิเดสม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยสว่างจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัตร น, น้นจนกระทั่งบันนี้เราไม่เคยปรากฏว่ากิเลตัวใดมาเป็นภัยต่อหัวใจของเราอีกสองไว้สิ้นบรมาสุขเต็มหัวใจที่เป็นธรรมธาตุด้วนแล้วหรือนิพพานธาตุธรรมธาตุด้วนแล้วเต็มหัวใจอยู่ก็อยู่ไปกินไป ไปอย่างนั้นะตามโลกสมมุติธรมรมดาจิตใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องนี่ก็เพราะอำนาจแห่งผลของการปฏิบัติของเราซึ่งหนึ่งบำเพ็ญมาโดยลำดับลำดาด้วยความสนลกสนใจไข่อดไข่ทำติดแนบอยู่กับธรรมมันมดาความคิดความปรุงทั้งหลายต้องระมัดระวังตลอดเวลาศีลรักษาให้ดีสมาธิบำรุงให้ดีปัญญาส่งเสริมให้แก่กล้าสามารถขาดข่ากิเลสขาดสะบัดลงจา ก, ก จ, จิตใจนี่ ธรรมมากของพระพุทธเจ้ า, าศาสตราพระพุทธเจ้ามากกวนิพพานดีหรือไม่ไม่ให้ท่านทั้งหลายพิจารณานี่เราปฏิบัติมานี่เราพูดได้เต็มปากของเราเราไม่สงสัยเราพุทธเจ้าแสดงมาแล้วแม้องาศาดาเราก็ไม่ต้องไปสอดแสวงหาพระ อ, องค์ท่านดูหัวใจที่บริสุทธิ์พุโทโธเป็นอันเดียวกันแล้วพอนี่เนระทพระพุทธเจ้าแล้ยังจะมางมเงเาเกาหมัดอยู่หรือ ท่านสอนไว้โดยถูกต้องส่วนพี่เด็กเป็นตัวจําปลอมทำไมไม่ได้ดูมันบ้างแล้ววิ่งตามมันวิ่งตามมันโดยไม่มีสติปัญญายับยั้งตนบ้างเลยนี่เสียมากนะต้องให้พี่นามด้วยสติปัญญาทำรรมาปฏิบัติเพราะซึ่งพร้อมที่จใจผลอยู่ตลอดเวลารอากาลิโกทําไมไม่สนใจถ้าสนใจแล้วต้องได้นี่พูดอย่างยันเลยเราไม่ได้ท้าทายใครแต่ม า, าท้าทายพี่เด็กเราท้าทายมันได้เต็มจัดเต็มส่วน เพรเวลาเราแพ้กิเลสฟาดจนน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาเราก็ไม่ลืมปฏิบัติธรรมะเวลาจิตใจมันมืดตื่นแต่เจตนานหวังบุญหวังกุศลบางมากฝนนี่ผานมีเต็มหัวใจเวลาขึ้นไปฟัดกับกิเลสอยู่บนภูเขาแล้วสู้กิเลสไม่ได้ด้วนลายกิเดสเป็นด้วนลายนักมวยแชมเปี้ยดเราเป็นนักมวยเป็นนักมวยวัดพอขึ้นไปโยกทูยังไม่เสร็ จ, จกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วขึ้นมาใหม่ สุดท้ยสู้กิเลสไม่ได้น้ําตาร่วงนี่เราก็ไม่ลืมได้พูดให้บรรดาพี่น้องหลายฝั่งแล้วในการตอกอกรักกิกเลสที่วนหนักมากที่สุดในชีวิตนี้ไม่ไม่มี ท, ท, ที่ที่ไนเสมอเหมือนชีวิตของพระอันนี้หนักมากที่สุดชีวิตของคารวะาเขาก็หนักเราก็หนักถือเป็นธรรมดาไม่เห็นแปลกประหลาดอะไรแต่ชีวิตของพระที่จะฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากจนนิตใจนี้ทุกมากที่สุดเลย ตกะโลกทั้งเป็นตะโลกทั้งเป็นตั้งแต่วันเก้าขึ้นสู่เวทีคือเข้าป่าเข้าเขาภาวนาได้หลังได้รับว่าจากหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาเหนียวแน่นแต่งแข็งแต่งที่สุดเลยนั่นแหละได้ปฏิบัติมาศีนั่นเป็นความบริสุทธิ์ในหัวใจของเราแล้วตั้งแต่เรียนหนังสือแลสมาธิอบรมในเวลาปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นที่ใจสมาธิ ปรากฏขึ้นทีใจเป็นสมบัติของตนเต็มสัดเต็มส่วนโดยลำดับจงกระทั่งถึงปัญญาถึงขั้นปัญญาข่ากิเลสข่ากิเลสตลอดเวลาไม่มียับยั้งเลยทีเดียวคือสติปัญญาตโนมัติเมื่อมีความเปลียล่ยนใจแต่ก็้าสามารถแล้วกิเลสตัวอะไรนี้หมอบเลยเหมอบเลยเห็นประจักษ์ตับใจเวลาสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาก็รู้ภูกอ้าคาดกันไว้กับกิเลส นี่หละความอาฆาตอันนี้เป็นอาฆาตของธรรมฆ่ากิเลสเรียกว่าเป็นเป็นธรรมถ้าอาฆาบตบาดหมางโกรธแค้นผู้หนึ่งผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดเรียกว่าเป็นกิเลสแต่อาฆาบตบาดหมางโกรธเทียดแค้นให้กิเลสนี้เป็นธรรมเราได้นํามาใช้แล้วเทียดแช้นในกิเลสในเวลาน้ําตาลว้วบนภูเขาสู้ไปไม่ได้ไม่เงื่อนไหนเงื่อนไหนสู้มันไม่ได้มันแต่ทีเดียวตกอื เวทีตกเวทีไงยหมาไงยหมาไม่เป็นท่าไงยหมาไง้แมวยังพอตกได้นะทั้งไง้หมานี่ไม่เป็นท่าแล้วแงะแงะเท่านั้นแหละอันนี้เราก็สู้กันมาได้แล้วแงะแงน้ําตาร่วงเอาละน่าบ่าเมืองแก่งเอากูขนาดนี้เชวฉลือนี่มันเป็นหยุดภายในใจด้วยความแช่แข็งไฮดรีเลสนะไม่ได้ออกมาเป็นคาพูดคจาจาเหมือนเมึงเอากูขนาดนี้เฉลือแล้วเอาอย่างไรก็เถอนะน่ะอย่างไรมึงต้องพังให้กูถอยกูไม่ถอยเลย มึงต้องพังวันหนึ่งกูไม่ลืมแล้ววะ่ะออกไปก็ไปอบรมจากครูอาจารย์กลับมาฟาดอีกมันฟาดหงายหมาอีกไม่ดูกี่หงายหงายหมาแต่ไม่ถอยกลับไปกลับมาฟาดกันที่นี่กิเลส ก, ก็หงายให้เห็นบ้างเอียงให้เห็นบ้างต่อยมันจนกระทั่งกิเลสมันเอียงมันหงายไปเมือมึงก็มีท้องเหมือนกันหรืบางทีกิเลสล้มทั้งหงายหเห็นเหือมึงก็มีท้องเหมือนกันกับกูเหรอ มีตะก่อนมีตะขู่ล้มหายหมาให้มึงดูไม่เป็นท่าทีนี้กูมึงก็มีเหมือนกันก็ยิ่งมีกําลังอย่ใจเพราะความแช่แข็งให้จินเด็ตั้งแต่น้ําตาร่วงมานั้นแหละขู่อ้าค่ากันอย่างหนักมึงต้องพังจากหัวใจกูวนหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยจากนั้นมาการขันหนักทีเดียวนั่งฟาดสืตลอดลุ่งตลอดลุ่งจนนะก้นแตกจำฟังที่ท่านต่างหลายดวงตาบัวมาอวดทัานงหลายหรือนี่เอาทรมาสอนท่านต่างหลายด้วยความถึงใจที่รู้รู้อย่างถึงใจ มาสอนก็สอนอย่างถึงใจผู้ฟังฟังอย่างไรบ้างหรือว่าศาสนาไม่มีมากมีผลมีต่กีิเลศเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจนั่นเหรือเอาไปพิจนารณาสินี่ละการปฏิบัติต่อทิเลสด้วยอัดด้วยทำเป็นมากเป็นผลขึ้นในเห็นประจักษ์ไม่ว่าการใดสมัยใดเรียกว่าอาการลีโกไม่มีอะไรมาตัดทอนได้ถ้าข้อปฏิบัติของเราดีอยู่เอาซะจงกระชั้จิตใจนีเป็นาม น้ำตาล่วมสู้กินไม่ได้ไม่ได้ไไดก็จํำมาไว้แต่เวลาสติปัญญามีกําลังกลายเป็นสติปัญญาอตโนมัติตลอดทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้ว ท, ที่จะหลุดพ้นจากทุกพระนิพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันเห็นประจักษ์ประจักษ์ในหัวใจไม่หยุดไม่ถอยทั้งคืนเอา้าลงได้ลงทานจงกรมแล้วลืมขึ้นจนฝ่าเท้าร้อนออกร้อนออกร้อนค่ะลงได้ ลงทานลงกลมกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามไม่รู้จักขึ้นเหมือนนักงมวยต่อยวงในกันนะั่นแหละไม่รู้จักเหน็ดจักเหนือ่อยใครเป็นจะตายมิจะเอาชนะท่าเดียวอันนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายมิจ ะ, จะเจ้าชนะกิเลสท่าเดียวนี่ละรมเมื่อเราสั่งสมไม่หยุดไม่ถอยจนกายเป็นธรรมมีกําลังแต่กล้าสามารถทํางานได้เป็นสติปัญญาตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นตโนมัติไปโดยาาาาาาลาดับลาดานแล้วกิเลสตัวไหน มันจะมากล้าแข่งอยู่ได้คว้าขาดสะบันลงไปขาดสะบันลงไปสุดท้ายก็สติปัญญาธนมันก้าวเชื่อมกันกับสติปัญญามหาสติมหาปัญญากิเดสโถไม่ได้เลยขาดสะบันขาดสะบัดอยู่ไหนเพลินอยู่กับมรรคผลนิพพานทั้งๆที่ิได้ไม่ยังไม่เห็นผลนิพพานปหนึ่งผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมทีเดียวคว้าสต่นิพพานบูดปิดบูดิดทางความเพียรกันแน่นหนามมันพงพอเห็นโทษกิเดสอย่างถึงใจ เห็นคุณของธรรมก็ยังถึงใจความเพียรก็ถึงใจซารงจึงกระทั่งถึงกิเลสหงายลงเพียบหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เคยพูดให้พี่น้องต่างหลายตลอดถึงพระเนรูปหลานต่างหลายเคยพูดแล้วไม่ได้มาโอมาวบวชพูดเอาทั้งเหตุทั้งผลจากตัวเองที่ปฏิบัติมาให้ไปให้ได้ทราบเพื่อจะเป็นคติเครื่องเตือนใจนี่แหละเอาซจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือ่อ ลงที่หลังวัดดอยธรรมเจดีภูเขาคือหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลาห้าทุ่มวันที่สิบห้าพฤศภาคม 2,493 นส่ร้อ้นั่นเป็นวันตัดสินกันกับกิเลสได้ขาดสะบันน้นลงตอกจากใจฟ้าดินถล่มขึ้นมาในเวลากิจกับกิเลสขาดสะบั้นจากกันเกิดแดนอัศจรรย์ขึ้นมาจงกระั่งตายไหวทีเดียวฉนรุ่งไปเลย นี่อัศจรัน์ธรรมของพระพุทธเจ้าเหนือพระพุทธเจ้าตัดสั้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้เหรอมันอัศจรัน์เกินขีดเกินเหตุเกินผลซึ่งไม่เคยมีมาเกิดมากก็เกิดจากพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นเคยรู้แต่เรามารู้มาเห็นเป็นแดนอัศจรันด์ซึ่งไม่เคยคาดคิดกระจางแจ้งซึ่งภายในจิตใจมันจ้าไปหมดครอบโรกระชากฟังที่ทำบู้า เ, เป็นของเล่นเหรอนี่ไม่ได้ปฏิบตัติมิจะมาคุยมากคอยบี้บี้สีไฟทำบู้าคอยเยียบลงโดยลําดับ ด้วยอำนาจของกิเลสในหัวใจไม่ยอมรับศีลรับธรรมไม่ยอมรับบาปรับคุณไม่ยอมรับผลรับมาผลนิพพานยอมรับตั้งแต่ความโลภความโกรธรากาตัหาอย่างเดียวก็ปล่อยให้กิเลสเหยียบทำทำก็เหยียบกิเลส เ, เหยียบทำก็เหยียบเรานั่นแหละเนี่ยนี่มาสอนท่ทานทั้งหลายให้ได้จัดได้ส่วนสมเจตนาที่ท่ทานทั้งหลายได้มุ่งมาเพื่อด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละมุ่งมาเพื่อ ฟังอัดฟังทำวันนี้ก็มุ่งมาเพื่อแสดงธรรมกับพี่น้องทั้งหลายให้เต็มตัดเต็มส่วนให้ได้เข้าไปฟังทั้งพระลูกพระหลานประชาชนทั้งหลายว่ามากเป็นมากผลเป็นผลเมื่อพูดจะแสดงไว้ไม่มีเคลื่อนคาดที่มันเคลื่อนก็คือพวกเราที่ปฏิบัติรุ่มรุ่มร้อนๆไม่เบนไปตามนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี้แหละเนื้อเวลาปฏิบัติกับกิเลสสู้กิเลสมันได้ล้มไงาหมาไงหมาก็ได้เล่าให้ฟัง ฝากิเลสล้มหายหมาลงไปยังไม่ตายก็ล้มหายหมาก็เห็นประจักษ์โถ่ขึ้นมาไม่ได้เลยสติปัญญาจนหมิขาดหมุนขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านจากนั้นแล้วเป็นมหาสีมหาปัญญากิเลสโถ่ขึ้นมาไม่ได้สุดท้ายกิเลสม้วนเสือเพิบลงเลยฟ้าขาวดาก็จางยาวมาพูดแจ้งกว่านั้นเป็นไหนไหนจิตใจที่หลุดพ้นจาก ความมืดบอดคือกิเลสปกคุมเอาไว้และขาดกระจายลงไปจากใจใจดวงนี้สว่างจ้าขึ้นมาถามพระบุญเจ้าหาอะไรนั่นเห็นไหมล่ะอืมมันจ้าอยู่ใน yeah. หัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้หรือพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้หรือซ้ำอยู่นั้นด้วยความถึงใจตัวเองเหือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เลยอย่างที่เป็นอยู่ในหัวใจเรานั้นอย่างนั้นมาแล้วกับประมวล เหตุนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไง น, นี่เราเคยคิดเมื่อไหร่เห็นตั้งแต่ขนาดมามีความเคารพเรื่องสาถือพุธทธพุทโธธัมโมสังโฆติดแนบไปจงกระทั่งขณะนั้นแหละขนาก่อนขนาดที่จะฟ้าดินถล่มย่งพุโทโธสัมโมสังโฆแนบสนิทอยู่ภายในใจิตใจไม่คิดอ่านใจตองอะไรเลยว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แต่พอ กิเลส ข, ขาดสะบัดลงจากใจทําแสดงขึ้นมาอย่างเต็มเหนี่ยวเท่านั้นเหือ พ, เอพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไงนี่มันเป็นแล้วนั่นใครมาบอกไม่บอกก็ตามจ้าคุณมาแล้วเหมือนน้ามหาสมุทรกว้างขนาดไหนก็กว้างเธออืไหลมาจากที่ต่างๆดันบาราแม่น้านําทั้งหลายไหลเข้ามาลงในมหาสมุทรลงอาต้องหดทั้งตกมาจากบนฟ้าลงในมหาสมุทรพอถึงมหาสมุทรแล้ว ทั้งน้ำสายต่างๆทั้งน้ําที่ตกลงจากบนฟ้าพอถึงมหาสมุทรนั้นเป็นมหาสมุทรอั น, นเดียวกันหมดเลยแยกกันไม่ออกว่าน้ํานี่มาจากบนฟ้าน้ํานี่มาจากคลองนั่นห้วยนี้คลองนู้นคลองนี้ไม่มีมีแต่น้ำมหาสมุทรเจาะลงตรงไหนเอามือเจาะลงไปก็เจอวน้ำมหาสมุทรใครอยู่ทิศใดแดนใดเจาะลงไปก็เป็นมาน้ำมหาสมุทรเหมือนเหมือนกันหมดไม่ได้พูดกันว่าน้ํานี่มาจากคลองนั้นน้ํานี่จากคลองนั้นเป็นอั น, นเดียวกันแล้ว เป็นน้ำมหาสมุทรด้วยกันทั้งหมดอันนี้ฉันใดก็มันกัน <c oughs> จิตใจที่เป็นมหาวิวัมหาทิพานก็เท่ากันกับน้ำมหาสมุทรท่านผู้ใดจะบำเพ็ญอยู่ในฐานที่ใดมา ก, กี่กับกี่ตันได้มากได้น้อยนานเท่าไหร่เอาบำเพ็ญมาเพนี่เท่ากับน้ำสายต่างๆที่จะไหลเข้ามาสู่มหาสมุทร ม, ม, มหาวิวุฒนาหรื อ, อ, อมหาสมุทรทะเลหลวงนี่เราบำเพ็ญคุณงามความดี โลกทั้งหลายบำเพ็นคุณงามคุณดีก็เป็นเหมือนแม่น้ํำดากรองที่ไหลเข้ามาสู่มหาวิมุตติมหาน니พานผู้ใกล้เข้าไปาใกล้เข้าไปผู้ถึงแล้วปึงก็เป็นมหาวิมุตติมหาิพานไปเลยเอาผู้ไหลเข้าไปเพราะว่าสนาบา ร, รมีของเราเหลื่อมล้ําต่ำสูงต่างกันอเวลาปฏิบัติก็ค่อยเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปไ ม, หไมงง่หยุดไม่ถอยจงกระทั่งพางลงน้ําลงถึงจุดหมายอันใหญ่โตคือมหาวิมุตติมหา니พาน เป็นมิมุตเป็นิพานอันเดียวกันหมดแต่ว่านี่มาจากพระเจ้าองค์นั้นนี่มาจากพระเจ้าองค์นี้จิตดวงนี้มาจากสาวกองค์นั้นมาจากสองวัดสาวกองค์นี้อนจิตดวงนี้มาจากตาสีตาสามาจากยายกอยายขอไม่มีลงในนั้นแล้วเป็นมหาวิมุตมหานิพานเป็นมหาธรรมธาตุด้วยกันหมดนี่ละ ท่านว่านาทีเซย์โยปายปยีโยบรรดาท่านพูดถึงมิมุรพรนิพพานแล้วตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเสมอกันหมดไม่ไม่แตกต่างกันเลยเมื่อเป็นเช่นั้นพอเจอผึ่งอันเดียวก็ถึงกันหมดพระพุทธเจ้ามีจิตพระองค์ก็เหมือนเรามือเราจ่อลงน้ำหมหาสมุทรถึงหมหาสมุทร ด, ด้วยกันหมดเลยนั่นเป็นน้าหมหาสมุทรทั้งหมดจ่อที่ไหนเป็นหมหาสมุทร้งหมดนี้จิตนี้แยกออกมาตรงไหนก็คือมิมุติพระนิพพาน แยกไปตรงไหนก็คือธรรมธาตุธรรมธาตุที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนี่ผลในการปฏิบัติธรรมได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนด้วยความเมตตาสงสารเราตะเกียตะกายมาแทบล้มแทบตายเป็นเวลา9ก้าปีเต็มตั้งแต่การปฏิบัติแบบไม่มองหน้ามองหลังเลยมองตั้งแต่ที่จับทำฟาดกันอยู่ในหัวใจเท่านั้นตกตะลุกทั้งเป็นในเวลา9ปีกันออกปฏิบัติตั้งแต่พรรษามเจถึงพรรษา16 มันเป็นเวลาเก้าปีนี้ไม่ได้อยู่ไต้ถอยไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนฝึกทรมานตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นที่ว่าตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละเราก็พอใจในการปฏิบัติเพราะจิตใจเนี่ยมันหมุนติ้วกับอัตรตับรมเพื่อมาผลนิพพานไม่มีจื่อจ้างเลยถึงสังขารร่างกายมันจะอ่อนปี่อ่อนเปีย่ยกขนาดไหนก็ตามแต่จิต ใ, ใจไม่อ่อนอุตส่าห์พยายามเอาสัจจกระซังถึงมรรคถึงผลถึงความพอพอใจพอแล้ว เท่านั้นแหละพอฟ้าดึงกระหล่จากกิเลสขาดชะวบ้นหงไปแล้วพอแล้วตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยหวังอะไรอีกแล้วกิเลสตัวใดเราก็ไม่เคยเดือดข้าวอีกเลยความโลภความโกรธความหลงตัวไหนที่แทรกขึ้นมาเราเข้าใจว่ามันตายไปแล้วก็ไม่เคยมีนั่นตั้งแต่บัด น, นั้นมาเราถึงได้แนะนําสั่งสอนลูกหลานได้มาจนกระทั่งบัดนี้เบื้องต้นจะไม่ยอมสอนไข่อืมพราะเห็นว่าทำนี้สุดวิสัยแล้วที่มนุษย์ทั้งหลายจะรู้ได้เห็นได้ เพรเป็นธรรมที่อัศจรรย์เกินคาดเกินสมมูลนี้มาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรารู้ได้ทําไมมนุษย์เขาจะรู้ไม่ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนตัดทะลุเป็นศาสวาได้สาวกทั้งหลายก็เป็นคนบฏิบัติตัดทะลุเป็นสาวกได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งบปฏิบัติก็รู้ได้อย่างนี้แล้วมนุษย์ทั้งแลเรามนุษย์ก็เป็นคนเหมือนกันนี่เราเป็นเทวดามาจากไหน ถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้พอเห็นได้ก็พราะสายทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงมาแล้วเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามนี้เถอะเมื่อก้าว <c oughs> เดินตามนี้แล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะธรรมของพระเจ้าไม่เคยปิดแวะไปทางที่ผิดเลยถูกต้องสวยงามทั้งนั้นเราก็ก้าวเดินตามนั้นนั้นเมื่อได้ถึงขั้นที่ว่าสุดวิสัยที่จะสอนโลกสอนที่ไหนเขาก็จะว่าบ้าไปหมดอืมเพราะเหตุอะไร เพราะทำนี้มันเกินทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำมาสอนโลกที่โลกจะรู้ได้เนี่ยถ้าสอนไทยเขาจะหาว่าบ้าไปหมดเอาอยู่คนเดียวกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงเวลาแล้วก็ไปเท่านั้นอาจจะไม่ยุ่งแต่สอนไปเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้านั่นเห็นไหมละ่ะเวลามันท้อใจท้อใจอ่อนใจที่จะสอนไขยนี่หละพอทำกระตุกขึ้นมาจทานั้นละ่ะว่า เมื่อทำนี้ฉุดวิสัยแล้วมีใครจะรู้ได้เห็นได้เราเป็นเทวดามาจากไหนทําไมถึงรู้ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนท่านรู้ได้สาวกเป็นคนท่านรู้ได้เราเป็นคนเราก็รู้ได้มนุษย์ทั้งหลายเขาก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเขาจะรู้ไม่ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเนี่ยคำว่าเพราะเหตุใดก็คือสายทางได้จากการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปตามสายทางที่เจ้าทรงแสดงไปแล้วมันก็รู้ได้เห็นได้อ๋อรู้ได้นั่นจึงได้ปร่งใจสอนเพื่อนสอนฝูงมา นีแรกเขาจะเข้าอยู่ในป่าในเขาเพอถึงวันตายแล้วไปเลยจะอยู่ก็ทําไมพูดให้ใครฟังเขาจะหาว่าบ้าเป็นหมดเพราะโลกนี้มันโลกบ้ากิเลสธรรมชาตินี้ไม่ใช่บ้ากิเลสแต่พูดลงไปกิเลสมันกองทับใหญ่3ามแดงโลกธาตุมันจะลุ่มเอาทีเดียวแหลกหมดเลยไม่พูดจะดีกว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาศาสนาของบุรุเจ้าเป็นศาสตร์ที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนี่ออกมาประกาศแต่ว่าท้าทายหรือไม่ท้าทายเลก็ความจริงมาพูด ศาสอาสอนเพื่อความจริงให้ด้วยเห็นตามความจัดวามจริงนี่การปฏิบัติรู้ตามความศัสตร์ความจริงมาสอนในฐานะว่าเราเป็นลูกศิฏถาโค้ด้วยกันขอให้ท่านเป็พิณิพิจนาแล่าอย่าได้มาคิดนะว่าหลวงตาบวัวนี่พูดโอ้พูดอวดเรื่องเราตรรกนรกหลวงตาบัวจะไปเองขอให้ท่านหลายปฏิบัติ ต, ตามธรรมของพุทธเจ้าก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อลองตาบวัวให้เชื่อธรรมพุทธเจ้าก็แล้วกันนหะลวงตาบัวไม่ถอยละนระกก็่งได้ไปไหนไปได้เวลานี้ไม่หวั่นกับอะไร ในสามแดโลกทาตนรกก็เป็นสมมุติอยู่ในแดนสมมุูลพ้นจากนี้แล้วเป็นวิมุตติพุโทโธขึ้นมาไปตกนรกลูกไหนน่ะนั่นเราอยากถามว่าอย่างนั้นนะ่ะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ธาแตกขันคือพูดไปพูดไปก็ป เ, เหนื่อยเมื่อยลาแล้วเลยไม่ค่อยได้มากได้หม่ไปเป็นแง่เป็นหมุมเล็กน้อยธาตุขันเรารู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงอืม งขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ได้อุตสาหพยายามเสียสละมาช่วยบ้านช่วยเมืองของเราบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนเป็นสมบัติแห่งชาติไทยของเราทุกคนเพราะเมื่อท่านทั้งหลายได้มาบริจาคนี้ก็สแสดงน้ําใจแห่งความรักชาติต่อกันออกมาแล้วสมบัติทั้งหลายที่นามานี้หลวงตาก็แล้วนำเข้าครหลวงตลอดมา ไม่เคยมีความรั่วไหลายแตกซึ่ไปที่ไหนเลยเป็นความบมตสุพุโทโธรดนดวนในการช่วยชาติเรานี่เราไม่เอาอะไรเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงไม่มีความว่าหยิบเอานั้นหยิบอันนี้มาเป็นมนต์มนตินเป็นบาปเป็นกรรําเป็นฟืนไฟเผาเราไม่เคยมีเรารับมาด้วยความเริสุทําด้วยความเมตตาจึงไหลเข้าสู่ทระหลวงเป็นลําดับลําดา <c oughs> นอกคือทองคาและดอนล่า ไหลเข้าสู่กลังหลวงทั้งหมดส่วนเงินสนนี้ได้นำไปซื้อทองคาเข้าสู่กลางหลวงเพียงสองพันล้านกว่าบาทเท่านั้นไม่ได้มากนะสองพันล้านกว่าบาทนอกจากนั้นได้ช่วยบ้านเมืองทั่วประเทศโดยการสงฆ์อสงหาคนทุกคนจนสถานสงาะหอต่างๆโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆทั่วประเทศไทย สมบัติเหล่านี้กระจายไปทั่วประเทศไทยเนี่ยังไม่ได้เข้าในางหลวงทั้งหมดแต่ทั้งหมดนี้เป็นความบริสุทธิ์ออกจากใจของหลวงตาบัวเป็นผู้สั่งงานเองเพื่อความไมา่รั่วไหลแตกสื่เราเป็นคุนรับผิดชอบในสมบัติทั้งหมดโดยสมบัติเงินทองเหล่านี้ฝากในนามของเราเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารเวลาจะจ่ายอะไรเราเป็นคนสั่งจ่ายเสียงแชคให้เชค่ห้เช็ใ ห, เให้เราไม่ต้องไปจับมันนะ เรื่องเงินเรื่องทองเป็นผู้สั่งเจ็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นสมบัติจึงไม่มีคํำมาล่วไหลแตกสื่อไปไหนเลยยึงขอให้พี่น้องหลายทราบตามนี้เราไปสุดสุดส่วนแล้วในการช่วยชาติเกานี้ถึงจะออกประกาศเป็นประวัติศาสตร์หลวงตาบัวช่วยชาติแบบไหนหลวงตาบัวเปิดอกรับเลยว่าไม่มีแม่บาทถึงที่จะมาหยิบเอาของพี่น้องหายมาเป็นมลทินเป็นบาปเป็นกรรมเป็นไฟเผาตัวไม่มี มีเท่าไรทุ่มลงหมดแม่ที่จุดสมบัติเงินทองที่เขามาสวายล้มตาเป็นส่วนตัวส่วนตัวมีเท่าไหรแบบเดียวกันหมดทุ่มลงเพื่อชาติบ้านเมืองช่วยไปหมดเลยแล้วจึงไม่มีเงินมีทองติดเนื้อติดตัวตลอดมาบางครั้งบางขราวติดหนี้เขาก็มีเพราะความจําเป็นส่วนมากจะเป็นโรงพยาบาลติดหนี้ติดสินเพราะเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็นแล้วความติดหนี้สินไม่มีน้ําหนักมากกว่าความจําเป็นของคนไข้เอาติด ติดไปอย่างนี้เลื่อนมาแ ล, แล้วเราจึงภาคภูมิใจในการช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายช่วยเหลืออย่างนี้เต็มเม็ดเต็ ม, ต ม, ตมหน่วยตายแล้วนี่เราก็ไม่สงสัยเราไม่สนใจว่าจะไปที่ไหนเรื่องตายแล้วจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์หรือจะไปเป็นหมูเป็นหมาเราไม่สนใจมันประจกรักษ์อยู่ภายในจิตใจว่าสิ้นแล้วทุกอย่างในโลกอันนี้ อาญามันติมาชาติชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราที่เกิดมาตั้งก like ับตั้งกันตายกองกันมานี่อีกกับอีกกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอาญามันติมาชาติเป็นชาติสุดท้ายของเรานาตีดานี้พุทธะโปต่อไปนี้เราจะไม่มาเกิดตายกองกันอีกเพราะธรรมนี้เป็นเครื่องประกากตังวานอยู่ในใจอย่างแจ้งชาติแล้วสงสัยอะไรสารทิฏโกเต็มหัวใจแล้วไม่มีทางสงสัยทั้งไปทั้งอยู่ อยู่ไปก็อยู่เนี่ยอยู่ไปกินไปอย่างนี้แหละพอถึงวันแล้วจะไปแล้วหรือไม่อยู่หรือสลัดเดียวไปเลยห่วงอะไรภาษากองกระดูกจิตมันพอตัวแล้วจะไปห่วงอะไรไม่พอตัวนั่นสิมันถึงคว้านั้นควานี่คือจิตไม่หยิบไม่พอจิตหิงที่ถอยถ้าจิตพอแล้วก็ไม่ต้องคว้าอะไรเลยถึงเวลาตายแล้วไม่ต้องนิมนต์มาพระมากุศลธรรมมาหลวงตาบัวตายแล้วไปในหนาก็ได้เราจะไปของเราเองนะ เอาละการแต่งทำก็เห็นว่าสมควรแจกถ้าแจกขันแจกกรเรเวลาขอความสวัสดีองมีแจกบันดาบีน้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินเหนื่อยเว้ย